ที่จริงก็ถ้าสาติที่สูงเนี่ยนะเห็นผิดคิดคนเดียวก็ไม่ค่อยมีปัญหาในชะแต่ก็ยังยืนยันเที่ยวประกาศเที่ยวไรเนี่ยนะหมายถ้าคนเดียวก็เลวเขาเรียกว่าถ้าคนเดียวก็เป็นโรคที่ยังไม่ติดเชือ้อใช่ไหมแต่โรคแบบมิจฉาทิฐิอันนี้มันติดเชื้อได้ง่ายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบตัดต้นต่อไม่งั้นก็อย่างที่ว่าวัดวัดวัดนกใช่ไหมวัดนกทำไมเขาจึงรีบฆ่าไก่เพราะเขาเชื่อว่าเป็นพาหะ พาหะเนี่ยนะพาหะที่นําโรคไปสู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นต้องเชื่อทิ้งฉันใดพวกมิจฉาทิฐิทั้งหลายเนี่ยนะเป็นพาหะนําโรคเนี่ยนะเป็นพาหะนําโรคระบาดไปให้คนอื่นเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิอีกอย่างมากเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งในหน้า 170- ่งร้อยเจ็่ร้อ่อวาตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาแล้วตรัสสั่งว่าิดูก่อนภิกษุเธอจงมาเธอจงไปเรียกสาติตภิกษุ ผู้เกวัตบุตรบุตรชาวประมงตามคําของเราว่าดูกร อ, อวุโสสาติพระาศาสดารับสั่งให้หาท่านนะไปเรียกมาเลยภิกษุรูปนั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วบอกว่าดูกร อ, อวุโสสาติพระาศาสดารับสั่งให้หาท่านนะก็รับสั่งให้เข้าเฝ้า สติพิสุรับคำของพิสุนั้นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนสติได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิอันเป็นบาปลามกมาจากคาว่าบาปมิจฉาทิฏฐิอันลามกหรือมิจฉาทิฏฐิอันเป็นบาปเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่า เราย่อมรู้ทั่วถึงตามที่ทาตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณ น, นี่แหละย่อมท่องเที่ยวเล่นไปไม่ใช่อื่นดังนี้เธอมีความเห็นอย่างนี้เธอมีความคิดอย่างนี้ใช่หรือไม่พิสุสาติเนี่ยนะะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะด้วยบุญที่พระองค์สร้างมาเนี่ยไม่มีใครอยู่ต่อหน้าพระองค์แล้วพูดเป็นอื่นจากที่พระองค์ถามได้เนี่ยนะบอกได้แต่ความจริงอย่างเดียว พระฉะนั้นก็เลยกราบโทนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าวิญญาณ น, นี้นั่นแหละย่อมท่องเที่ยวเล่นไปไม่ใช่อื่นดังนี้ข้าพระองค์เนี่ยมีความเห็นอย่างเนี้ยจริงเห็นไหมแล้วก็แล้วความจริงมันก็เป็นอย่างนี้ด้วยนะอคล้ายๆก็บอกว่ายัางก็บอกความจริงมันก็เป็นอย่างนี้ด้วยนะพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ถามว่าสาติ วิญญาณที่เธอพูดถึงมันเป็นอย่างไรนะนะวิญญาณที่ที่เธอบอกว่าเนี่ยมันเป็นตัวท่องเที่ยวล่องลอยไปเนี่ยนะแล่นไปเวียนว่ า, ายต า, ายเกิดไปเนี่ยไอ้วิญญาณของเธอเป็นยังไงพระพิสุสาติก็บอกว่าไอ้สิ่งที่มันพูดได้สภาวะที่พูดได้มันรับรู้อ่ะนะก็แปลว่าสภาวะที่ทำกรรมและเสวยวิบากของกรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นตัวทากรรม วิญญาณนี่แหละเป็นตัวทํากรรมถ้าวิญญาณไม่ทํากรรมแล้วใครจะรับผลของกรรมวิญญาณนี่แหละเป็นตัวทํากรรมเป็นตัวทําทั้งกรรมดีทําทั้งกรรมชั่ววิญญาณทําทั้งกรรมดีทําทั้งกรรมชั่ววิญญาณนี่แหละจึงเสวยผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วพระเจ้าค่ะนะฟังแล้วมันน่าคิดนะเออก็วิญญาณสิเป็นตัวทํากรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเพราะฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นตัวไปเสวยผลบุญผลกรรม อันยังก็บอกว่าเอาทารูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นอนัตตาและใครทําบุญทําบาปและใครจะไปสวยผลบุญผลบาปใช่ไหมอ่นนานะมิทธะคิดไม่ดีเนี่ยมันน้มไปพร้อมที่จะเห็นผิดเชื่อสัตว์ในโลกเนี่ยพร้อมที่จะคิดผิดนะไม่ได้พร้อมที่จะคิดถูกเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามหนักแน่นมั่นคงในคําสอนให้ดีๆว่าเอ้ความเห็นของเราอันไหนเป็นความเห็นตามคําสอนอันไหนไม่ใช่ คำสอนคนไม่ใช่น้อยเลยนะศึกษาคำสอนแล้วเนี่ยไปจำมิจฉาทิฐิที่เขายกมาปราบในพระไตรปิฎกวันนั่นเป็นความเห็นที่ถูกต้องอันนี้ก็ต้องพึงระวังให้ดี น, น, นสะสรุว่าวิญญาณของสาติพิสุเขาบอกว่าอะไรสิ่งที่พูดได้รับรู้ได้ก็แปล ว, ว่าตัวที่ทํากายทากรกรม ท, ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเป็นตัวที่เสวยผลของกรรมทั้งหลายวิญ ญ, ญาณนี่แหละเป็นตัวทํากรรมวิญญาณนี่แหละคือตัวที่เสวยผลของกรรมดีทั้งกรรมชั่ว ถ้าวิญญาณไม่ทํากรรมแล้วถ้าถ้าวิญญาณไม่ทํากรรมแล้วใครจะไปเสวยผลของกรรมถ้าวิญญาณไม่ทําดีแล้วใครจะไปเสวยผลแห่งความดีเพราะวิญญาณเนี่ยทำทั้งดีทั้งชั่วและเป็นตัวที่ไปคอยเสวยผลแห่งความดีความชั่วดีนะถ้าเป็นแบบสมัยเราเนี่ยนะเอายกมาอ้างอิงไนดะ้อีกใช่ไหมศัตว์ก็พระองค์ตรัสว่า กรรมมัสโกโมหิกรร ม, มทายาโทกรร ม, มโยนิสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนสัตว์ที่ว่านี่ก็คือวิญญาณวิญญาณนี่แหละเป็นตัวทำกรรมวิญญาณนี่แหละเป็นตัวเสวยผลของกรรมแก้ไงเอ่ยเขาบอกว่าผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วโยงเก่งๆหน่อยเนี่ยนะโอโยงว่าไม่กี่ไม่กี่เรื่องเนี่ยคนฟังก็เคลิบเคลิ้ม บ, บอกว่าใช่ใ ช, ใช่ใช่เลยใช่เลยเนี่ยนะอย่างมิจฉาทิฏฐิในยุคหลังๆสมัยพุทธกาลมาเนี่ยนะพวกนี้อ้างพระไตรปิฎกทั้งนั้นเลย นะแต่ว่าอ้างบางประเด็นอ้างตรงที่ถูกใจเนี่ยนะไม่ได้จับข้อความมาทั้งหมดเนี่ยนะอย่างเช่นบอกว่าเออเนี่ยการปฏิบัติธรรมนะเป็นการาปฏิบัติเนี่ยนะส โ, ส, สโตการีทำสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นอาสติสัมปชัญญะมันทำได้หรือเขาว่าันสติสัมปชัญญะทำได้หรือเมื่อทำทั้งปวงเป็นอนนะัตตาแล้วใครจะไปทำสติได้อะ น, นะคือคือฟังแล้วเอาพุทธพจน์ม า, ม า, มาตีกันเองไนะ ศาสนาจะเหลือหรืออย่างนี้เนนะเพราะคนเข้าใจผิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระพุทธพจน์ไม่ได้แสดงขัดกันเองเลยแต่พยายามว่าทําอย่างไรจึงจะมีความรู้ความเห็นความเข้าใจเป็นไปตามคำสอนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นให้รู้เถอว่าศรัทธาที่เรามีต่อคำสอนเชื่อมั่นว่าคำสอนที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะ ช่วยให้เราปิดอบายทุกขติวินิบาตช่วยให้เราตรัสรู้ธรรมได้อ่ะยอมรับคำสอนถึงคำสอนว่าเป็นสารณะอย่างนี้จึงได้บุญมากกว่าสร้างโบสถ์เขาพงั้นไเชื่อมาก็ถวายเสยนาสนะให้แก่สง์ที่มาจากทิศ ท, ทั้งสีสร้างวัดใหญ่เนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยไม่ได้อนิสงส์มากเท่ากับมีสาระคมเลยยอมรับด้วยใจด้วยความรู้ความเข้าใจในพุทธคุณธรรมคุณเนี่ยนะ อันนี้มีผลมากมีอ น, นิสงส์มากกว่าอย่างอื่นด้วยซ้าไปเนะนะ น, นี่ยนะมีอนิสงส์มากเพราะว่าเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้บรรลุมรคลอย่างแท้จริงเนะนะนี่ยนะทีนี้ต่อไปนะสรุปว่าสาติเขามีความเห็นว่าตัวที่ทำกรรมตัวที่เสวยผลของกรรมตัวที่ทำดีทาชั่วตัวที่เสวยผลแหง่งความดีความชั่วตัวนั่นแหละคือวิ ญ, ญญาณพระเจ้าข่าพราะองค์ก็บอกว่าพิกษโมฆบุรุษเนี่ยนะ ก็ปแปลว่าคนเปล่าเนี่ยนะบอกคนกลวงเ้าเป็นต้นไม้ก็บอกไม่มีอะไรเลยข้างในว่างั้นนะไม้กลว ง, งล ว, ว่างั้นเนี่ยโมฆะแปลว่าศูนย์เปล่าเนี่ยนะดูก่อนคนศูนย์เปล่าเธอรู้ทั่วถึงธรรมนี้เราแสดงไว้กับใครเอะเธอเคยได้ยินเราไปเทศให้ใครฟังไหมเราเคยพูดอย่างนี้กับพวกเทวดาหรือเปล่าเราเคยไปพูดอย่างนี้กับมนุษย์ทั้งหลายกับกษัตริย์รามแพทสูตรครหัตบรนประชิตเราไปแสดงผู้เราไปแสดงที่อย่างนี้ที่ไหนเมื่ อ, อไรแล้วก็อย่างไร คือคือพระองค์ก็บอกถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเราบอกพระพุทธเจ้านี่งงเลยนะอ้างว่ารู้ทั่วถึงพระพุทธเจ้ารู้ทั่วถึงคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วพระองค์บอกว่าแล้วพระองค์ไปสอนอย่างนี้ไว้ที่ไหนเมื่อไหร่กับใครก็ตอบไม่ได้เพราะพระองค์ไม่ได้สอนอย่างนี้เนี่ยมันเพราะความเห็นอันนี้มันเป็นความเห็นผิดพระองค์ก็เลยตรัสต่เป็นอีกว่าโมฆบุรุษวิญญาณเนี่ยนะวิญญาณคือธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะวิญญาณก็คือธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ต่างๆเนี่ย เป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยเนี่ยประชุมกันเกิดขึ้นเราก็แสดงถึงว่าวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่ปัจจัยประชุมปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะแสดงไว้มากอนเอกอนกอเนกเนี่ยไม่ใช่หนึ่งก็แปลว่าแสดงไว้เป็นอันมากเราพูดแต่อย่างนี้ไว้ตลอดไม่ใช่หรือความเกิดขึ้นของวิญญาณเนี่ยเว้นจากวัตถุและอารมณ์ไม่ได้มีแปลว่าเว้นจากปัจจัยไม่ได้มีเว้นจากวัตถุและอารมณ์เนี่ยนะ เว้นไว้ในอรูปภูมิเท่านั้นแหละวิญญาณที่ไม่อาศัยวัตถุถ้าปัญจโวการพเนี่ยวิญญาณยังไงต้องอาศัยวัตถุและอารมณ์พร้อมทั้งสัมปยุต ธ, ธรรมอาศัยทั้งอุปนิสัยปัจจัยเป็นต้นเพราะ ว, วิญญาณเนี่ยมันเกิดขึ้นปราศจากปัจจัยไม่ได้หรอกโมฆะบุรุรก็เมื่อเป็นดังนี้เธอชื่อว่ากล่าวตู่เรากล่าวเรียกว่าโมเมในพระพุทธเจ้าชื่อว่าขุดประโยชน์ตนเสียด้วย หลอกพระพุทธเจ้าด้วยมุสาพระพุทธเจ้าด้วยทําลายตัวเองเรียกว่าระเบิดระเบิดอะไรระเบิดบุญกุศลในใจตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะทําลายคุณงามความดีขุดภายในก็คือเรียกว่าอะไรขุดภายในก็คือระเบิดคุณธรรมความดีของตัวเองเสร็จสิ้นแล้วว่างั้นเธอจะประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากนะตัวเธอเนี่จะหมกมุ่นอยู่กับบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นอันมากเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยเนี่ยนะเมื่อมิจฉาทิฐิเป็นปัจจัยแล้วนํามาซึ่งอะไร มิจฉาสังกปะมโนทุจริตเมื่อมิจฉาทิฏฐิทําให้เกิดมิจฉาสังกปะถ้าคนมโนทุจริตมากๆก็จะตามด้วยมิจฉาวาจานะความพูดมันก็จะเป็นคําพูดที่ผิดพลาดมิจฉาทิฏฐิมากขึ้นเท่าใดความคิดที่บาปมากเท่าใดพูดบาปมากเท่าไร่ความชั่วก็จะเป็นการทําชั่วที่เป็นบาปมากเท่านั้นถ้าทําชั่วด้วยบาปเท่าใดอาชีพก็จะเป็นอาชีพที่เปื้อนกับบาปเท่านั้น ก็จะขยันทำบาปยิ่งขึ้นเนี่ยนะระลึกถึงแต่บาปที่ตัวเองเคยทำภาคเพียรพยายามที่จะทำบาปทอาอกุศลก็พระ อ, องค์บอกว่าจะประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมากเพราะฉะนั้นบาปด้วยกายมั่งบาปด้วยวาจามั่งบาปด้วยใจยบ้างแปลว่าชีวิตของเธอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอน้อมไปเพื่อจะทำบาปอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะมิจฉาทิฐิ ที่ตัวถือเอาเนี่ยมันความชั่วมันเป็นความเข้าใจผิดเนี่ยนะมันเป็นความเข้าใจผิดชนิดรุนแรงมากที่จะสร้างแต่ความเดือดร้อนแก่ตัวเธอทั้งในปัจจุบันและต่อต่ อ, ตอไปโมฆะบุรุษความเห็นอันนี้ของเธอนั้นจักเป็นไปเพื่อโทษมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานโอ้เขาเรียกว่าอะไรนะปกติแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงอย่างนี้ง่าย ปกติแล้วพระองค์จะบอกว่าเออเนี่ยอกุศลธรรมอลามกที่เกิดขึ้นแล้วจะเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกเพื่อโทษสิ้นการลนานหรืออาจจะยกเอาบางคนเนี่ยขึ้นอายกเอาขึ้นมาแต่ว่าพอมาสู่ตรงนี้เน่ยเท่ากับว่าชีหน้าบอกเลยบอกว่าเธอนะความเข็นของเธอความคิดของเธอความรับรู้อารมณ์ของเธอ ทัศนคติของเธอรัฐที่ของเธอเนี่ยนะเป็นไปเพื่อโทษเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกสิ้นกาลนานทีนี้สาติตพิกูุนเนี่ยนะเขาเขาเามีความคิดขึ้นมาว่าเอ๊แสดงว่าเราเนี่ยยังไงนะพระพุทธเจ้าตำหนิขนาดนี้สงสัยเราก็คงไม่เท่าไหร่มั้งอ่ะนะเสร็จ แ, แล้วพระองค์ก็ พระองค์บอกว่าอุปนิสัยของสาติภิกษุเนี่ยถูกตัดขาดหมดแล้วก็เลยในข้อส4 3ร้อยสี่สิบสามครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนนสาติภิกษุผู้เกวัตบุตรจะทำความเจริญในพระธรรมวินัยนี้บ้างหรือไม่ คิดว่าจะเจริญด้วยอธิศีนในาศาสนานี้ไหมคือพอมีความเห็นอย่างนี้คิดว่าจะเจริญด้วยอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาได้ไหมถ้าตัวเองเป็นมิจฉาทิถีเนี่ยนะจะจะกลายมาเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมา ส, ส ม, มาธิเป็นต้นต่อไปได้ไหมมันจะเป็นไปได้ไหม ภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลว่าข้อนี้จะมีได้อย่างไรข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้าข่าวว่างั้นเป็นไปไม่ได้หรอกถ้ามิจฉาทิฐิเกิดขึ้นแล้วจะเจริญในอธิศีนอธิ จ, จิตและอธิปัญญาตามคําสอนของพระองค์ว่างั้นเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอย่างนี้แล้วสาติภิกษุผู้เกวัตบุตรก็นั่งนิ่งกระดากคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิพานแปลภาษาไทยทบทวนอีกครั้งว่า สาติพิกสุไม่บาสา ม, มารถบรรลุมรรคผลนิพพานอุปนิสัยแห่งมรรคผลนิพพานถูกตัดไปแล้วเนี่ยนะเ่ก อ, อุปนิสัยที่จะทำให้แทงตลอดอริยสัทเนี่ยดับไปแล้วซึ่งที่จริงแล้วสาติพิสุเขามีความคิดในระหว่างตรงนั้นนะหน้า1 9ึรอกะาัตกถาย่อหน้าล่างว่าสาติพิสุเขามีความคิดขึ้นมาว่าพระศาสดาพระองค์จะเรียกเราว่าโมฆะบุรุษก็ช่างเถอะ จะไม่มีอุปนิสัยแห่งมัดผลเพียงแต่คําที่พระองค์บอกว่าโมฆะบุรุษเท่านั้นก็หาม่ได้ก็แปลว่าแม้ถึงพระพุทธเจ้าจะเรียกเราโมฆะบุรุษเรานะยังไงเราก็อาจจะบรรลุมัดผลก็ได้ก็ดูตัวอย่างพระอุปเสณนวังคันตบุตรน้องพระสารีบุตรสิพระพุทธเจ้าเรียกพร ะ, ะเรียกพระอุปเสสว่าโมคะบุรุษเธอเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆเร็วนะักพระอุปเสณเนี่ยพอฟังคํานั้นแล้วท่านก็ยังไปปฏิบัติพยายามทําอภินญาหกให้แจ้ง ท่านก็เลยได้อภินยาหเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยนะถึงพระองค์จะเรียกเราว่าโมคาบุรุษเราก็จะประคองความเพียรก็สามารถเจริญอริยมรรคทำอริยผลให้แจ้งเหมือนกันพระองค์ก็เรียกเราก็เรียกไปเถอะแต่เราก็ปฏิบัติบรรลุมรรคผลได้นั่นแหละ